จากตัวแม่ขนาด น, นึ่งหนึหน่งไม่เคยมีมันเป็นหลักธรรมชาติของมันที่อ่านรู้อ่านรู้เร็วที่สุดทีดูวันน้ำมันยังร่มได้แสดงว่าละเอียดมากจนไม่กระเทือนความรู้เลยอยู่ในห้องน้ำที่ว่าแต่มันตาชำเรืองมาทางนี้มันไปเห็นกระเบื้อง ไหลไปทางหน้ามันก็รู้ทันทีว่ามันล่มขึ้นข้างหลังมือปาปุ่งนี้เลยถึงทันทีเลยนะโอ้ตาไมาดูงั้นจะดีไม่ดีฉันหลบอยู่ในห้องน้าคนเดียวเพราะมันมันจะลงเต็มที่มันเลยเพราะมันไม่ตือนเลยนะมันมีนนนเีวิแววพอเตือนคอาชัว่วนันไม่มีแต่ตาเป็นปมองเห็นมันก่อนเลย กระเบื้องมันไหลข้างหน้ากระเบื้องในห้องน้ำมันก็แน่ใจทันทีว่าเจ้าของลง้ม้นข้างหลังงายหลังพู่มยังงล้มมือปัาบไปนี่ทันทีเพราะนิสัยเรามันก็คล่องตัวอยู่แล้วตามปกติพอมือคว้าไปข้างหลังนี่มันก็ลงถึงพื้นพอดีมือปัาบถึงพื้นพอดีเลย มือก็ลงอย่างแรงก้นก็ลงแต่ไม่แรงเพราะมือเข้ามาก่อนันเจ็บตั้งแต่เราตั้งท่ า, าขนาดนั้นมันยังเจ็บพอลงเพิ่มก็ถึงพอดีนี่พอพาดปุ๊บก็ถึงพอดีเลยท่านั้นนิดนึงนี่ก็ลงโครมเนี่ยท้ายถอยนี่ก็เสียงส่วงพอดีกันเลยเราเรากะลวงโอ้พอดีแค่ อันนี้พาดอันนี้ป้วนนี่ก็โอ้ดีไม่ดีก็ตายสลบที่นั่นถ้าเพื่อนก็นดึกๆนี่นแล้วก็นั่งนั่งก่อนก็ไม่เจ็บที่ไหนนี่เพราะมันรู้ตัวซะก่อนมันก็ไม่ทําเจ็บยิ่เจ็บแต่นี้ก็เราก็รู้ว่าเจ็บเพราะมันค้ายันกันต่นนั้นพอประมาณสักห้านาทีนั่งนั่งลุกขึ้นอีก ทั้งนี้มันก็ลุกมันอยู่นั่นมันมีกิยาหนึ่งก็อีกตั้งท่าอีกลุกขึ้นมาลุกขึ้นย่อเปอย่างนี้เลยนะมันร่มแบบนี้มันไม่ได้ร่มทั้งายนะมันลงมันสุดลงมาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอาการอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะ มันเป็นมันก็ไม่เจ็บก็รู้กันอยู่รู้รู้กันอยู่นี่มัน่มใเห็นร่มแบบแบบ่มแบบเขาเรียกร่มอะไรนี่ ย, ยอย่างนี้มันมแบบร่มตรไหมัเ่ภาษาสมุร่มแบบอะไรยอดตัวงานนเขาเรียกแบบอะไร มันจะนั่งอีกเอมันจะเป็นเพราะอะไรนะพูดยังงรู้ท่าถขันกันดีๆยิง่งเยียนอะไรก็ไม่มีเงียบแล้วมันล้มได้ยังไงนะนี่จะอยู่อีกประมาณทั้งห้านาทีลุกอีกมลองดูวันีมันจะเป็นยังไงอีกทดลองดูครัขึ้นอีกล้มอีกอ้ามันไม่ได้เรื่องได้ที่นี่วะไม่เจ็บไม่ปวดเลกล้ม <laughs> ความกินมันคงเข่านะมันมีกําลังกลมว่านะมันก็ไม่เจ็บเขา่าปวดเขานะแค่เฉย อ, อยู่เข่าก็ดีมันคงเข่ามีกําลังพอครั้งที่สามแล้วก็เอานาคราวนี้เปลี่ยนเพลงใหม่คลานออกมาเลยมัน <c oughs> <c oughs> ลุกไม่ได้ไม่ต้องลูกคลานออกมาเลยว่าก็ถ่ายผ้าล้วาผ้ า, ผาที่นั้นแล้วก็คลานจากนั้นก็เข้าห้องเลย <c oughs> โอ้ถึงที่ถึงกินคลานาจากห้องน้ำนี่ไปเข้าห้องเลย ไม่กล้าลุกม่รมันจะลงอีกค่อยคานระวังไปนะไม่ใช่คานไปธรรมดาเน่ยคานด้วยความระมัดระวังค่อยๆไปคานสังเกตไปถึงมันลงก็อย่ามันลงแรงนี่ก็มีคราวนี้จากนั้นมาตั้งแต่ก่อนมันก็เป็นอยู่แล้วจากนั้นมามันก็เป็นเรื่องง่ายในระมันระวังเดินโยกมหรือเดินไปไหนมาไหนโซซักโซเซถ้าระวังเหมือนกับ ผู้ต้องหาเน่ยร่างกายเหมือนผู้ต้องหาสติคอยควบคุมเหมือนนายควบคุมผู้ต้องหาบางที่มันเลยเป็นโรคสองโรคขึ้นมาโรคนี้เป็นโรคที่ตายง่ายมากทีเดียวเราล้มตรงนี้ต้องจะไปทางสลบหน่อมาก เป็น่มดินธรรมดาความเสี่ยเป็น่มถูกอย่างแข็งๆนันด้วยเตินไปตามซีมเมนเ์มืเมนอย่างนี้ได้ระวังเป็นไงโยงเป็นไหมคือก็งีงงม่มาให้อ่านข้าเป็นไงคบคังนี้ไม่ใช่หมายอ เขาถึงเนี่ยเขาางขาอย่างนี้ครันดีไหมยังไงก็หมายก็บอกมึงยไงก็ใจก็หมายกบอมคบัดีงไงคิดกับมันเหมาะกันไหมอ่ะฮึคิดกับเขาจะว่ามันเหมาะกันไหมฮะ ข, ข่าวขั้นชั้นนะมากโค่นการความรู้สึกของเขาผมเป็นอย่างนั้นหน่อยต้องหลักผมเองคืงว่าปฏิบัติธรนมลำบากสุดมากความเรานิสายหาบเนี่ยไม่ได้แตะเลยหนุ่มก็ออกปฏิบัติไม่แตะแต่ทีแรกก็รู้ทุกที มันไม่เคยพลาดเลยเพราะมันรุนแรงของมันอยู้วม่จะเรียนหนังสือก็ยังไม่เอารู้เจ้ของุรงโน้นนะเรียนอย่างหนึ่งเรียนหนังสือมันก็เป็นธรรมนะจีเพราะมันมุ่งจะออกปฏิบัติเรียนเพื่อเรู้แล้วจะออกปฏิบัติจีมันก็เป็นธรรมนี้อะไรกระเทือนทานในขันจะไปทางมม่ดีมันก็รู้มันก็ดัดกันรงับกันทันทีเช่นอย่างนมผมไม่เอารีเรียนหนังสือผมไม่เอาร ได้พอถวายมังถวายกูวาดังนั่นเป็นเยอเงาเลยหรอยังถือยั ง, ออยงไม่เอาพอรู่มันเสริมง่ายที่สุดมันเป็นอาหารที่ละเอียดถึงงท้าวสน่วนร่างกายและส่งเสริมว่าผ่าตัหาได้เร็วงออกมาปฏิบัติด้วยแอ้เรายิ่งต้องการความละเอียดอันนี้มันยิ่งรู้ได้เร็ว ถ้ามันบุญแรงมันเองมันไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมีเหตุมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องมันนะมันอยู่เฉยๆนอนหลับตื่นขึ้นมามันเปียบดูแลมันเป็นอันนั้นอันเทวทัศนั่นก็าผู้หญิงมีเลยอย่างนี้มันก็เป็นหนึ่งอีกนั่นมันเป็นได้สำหรับผมเองนะนอนหลับตื่นขมาฝันไม่ขันช่างเถอะนะมันคงจะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยของธาตุขันหนึง มันให้เห็นดแล้วมันมันมันเร็วด้วยต่อที่จะไปทางกำเริบทางร า, าคาตหากกำเริบ ม, มันมันรวดเร็วด้วยหมายถึงว่าเป็นที่ที้ใจฝันแต่ต่า ง, ง, ง, งต่างเวลาทัมบัตสัมพันข้างตาหูตูงมันก็เร็วมันต้องมบังคับกันไว้บังคับกันไว้ดัดกันไว้ยินก็ไม่อิน้ะทำไง ในระยะนั้นถ้ามันอิ่มมากไม่ได้อะมันดัดเราอ่ะมันทําลายเรามันทรมานเราแต่มาทั้งอีกแล้วอกสี่สิบปีถึงแม้ฉันตามเรื่องนั้นตอนนั้นมันตอนอาหารมันอยู่ตัวมันน่นแล้วมันไม่หิวไม่หยองุดต่อนน้นมากันมจฉเสริมเนี้ย ทุกวั น, นเอาอะไรเสริมก็ตอนนั้นนะี่ไม่ได้เรื่องแม้แต่ฉันนี้มันมกืนเดียวสองกินมันถอยปูดแล้วมไม่เล่นเอาอะไรมาเสริมก็เท่าเดิมนะทุกวันเพราะงั้นผมเึิ่งเสริมมันมันไม่ไม่มีกาลังการปฏิบัติไม่สัง้งใจจะกลองของนาดนั้นไม่ได้นะอาหารพวกผัดพวกมันนี่เด รมนงาพวกจานอาหารนั่นอื่นๆจิตกันสำหรับทผมแต่ก่อนกินอย่างนั้นครกินดีๆไม่ได้แหลมันกมันอะไรอย่าเงียนบอบของกมันพูดยากรู้อยู่หงไม่จะพูดแขว น้ำแข็งทำให้ฟันเสียได้นะเวลาแช่ น, นอมน้ําแข็งนี่จะรู้สึกปวดฟันผมก็ไม่ค่อยแต่ก่อนเน้่ยน้ำแข็ง ม, ม, มันมีอยู่แล้วมันมีตอนลหลังๆนี่ก็ไม่แั่นเย็นมากเป็นไปเสียเพอมากเป็นไตผิดเส้นท้องนะเส้นท้องตึงความต้องการของท่านมันต้องการนิ่งๆแต่แั่นิ่งไปแล้วในท้องนี่มันเส้นท้องมันตึงนี่ มันก็เหมือนกับมีอันหนึ่งเบรกเอไว้ใชอาหารก็ต้องตัดออกตัดออกอะไรไม่ถูกตัดออกเลยเป็นไท่าต่อท่าตัดออกอย่างแตรงฟักทองนี่ยว้ผมชอบตรงไหนอะไรมันมันก็เส้นท้องมันเอกจริงๆเนะมันบิดอทั้งถ่ายทั้งบิดต้องได้หยุดเลยที่บ้านฉันไม่เอาคนที่ปิดเียวผิดหลังนี่ก่อน พวออกขมขมพกมะละพวกบินไ ม, ม้หนักยังเขาแบบบวบลายมาันมันก็ไม่เอาแล้วแตงโมที่เขาฉีดยาอี น, นี้ตอนบ้านนึงไว้ห้องตรงๆฉลายโอยเอามาสามวัดสี่วัด เใส่รถใหญ่มาวัดเรานึงได้ห้องหนึ่งกินดูไม่รู้กี่วันน่ะผมกับฟาดเน้ยสวันติดกันเลยกินจนกรท่งแตงโมแล้วเอาดิมมีแดกโ่อยังความือสองมาช่วงนั้นแปลกๆงอว่ะเอออีเนียวว่าฟาดมือสามมาเราจะดูผู้อื่นโอ้ยพิษแตงโมแล้ววัดต่างมันเลิกเลยเนี่ยมัน่งดอกพิษแตงโมแล้วว่ะกระเดากระเดามื้อวนนี้กระเดานี่ก็ยังเป็นกระเดาที่ว่ากรหวานนัน กินมันมีขมมินิทุมันมียังไงก็บากกินนันนันใสเป็นนี่ก็ไดิยุทอันน้พิดยุทเลยตัวผมบวฝืนเลยเหมือนกับเป็นหินทักกัเลยล้ว้นพิดเลยเรื่อยเหมือนกับว่าขาดกันปัดดดนีเงินตอนน่อเด่ยบอขอเลยขออย่างนั้นดมันขออย่มงีอยานีใส ย, ยิงเป็นกันแล้ว่วานนีจริงนั่น น, นี่แล้วน้ำภาคขาวพี่เด็ก ก, ด, นนนะาาก ด, ดีมันจริงนี่นะเห็นขุ่นข่าแ่ข้อมจรข้อมสัตว์ข้อมจรข้อมสัตว์ข้อมจรกับอมเด็ดมันไปทั้งปันนะมันคิ ด, ดยอนหลังการตข้าสู่พี่เด็กว้าวตโตทอนทายดีมากองทัพพี่เดกมาแล้วมันต้องเล่าอะไรนะ มันจะมั่นเรื่องอำนาจอยู่หัวใจกูอยู่เหลือถึงพูดยังไงกูเข็ดมังไปลกำลังแ่งยังไงนี่กทิ้งบาดตูมเลยก็โด ด, ดกันโดดผึงเลยนทั้งเลยจึงขึ้นมาแข่งยันแข่เข็ดขนานั้นถพูดถึงเรื่งองเข็ดมันจำมันจอดไว้เป็น น, นิัยหนพราว่าความคิดความอา่านความอยู่ความเห็นไห น, นีแต่อันนี้เป็นเจ้าตัวการทั้งหมดเ้กี่เตี่ยวขวางไว้หมด นี่พังลงไปแล้วมีอะไรกีดมีอะไรขวางนั่นมันเห็นชะชั่นมพูดถึงว่าอวกาศของกีดอากาศของธรรมมันมันมีอะไรดึงดูดจิเลนมันดูดอะไรติดมดลักกาติดชั่งก็ติดรูปเสียงกินรถต้องต้องผัดต้องผัดต้อัดติดหมดมันดูดั้งหมดดูดเอาหมดเพราะจิเรนนี่เป็นแม่เหลย วาดมันพังทลายไปแล้วไม่มีอะไรดีรู้อิสระเสี้ยคิดก็คิดอิสระเสียตาเห็นเห็นอิสระได้ยินเห็อิสระอะไรอิสระเป็นตามๆกันหมดอืจึกระตั่งเข้าไปวาความคิดภายในมันก็อิสระหมดการพูดการจาอะไรก็เหมือนกันอิสระหมดถ้ามันนึงพูดถดกถึงใจเต็มเหตุเต็มผล มันไม่ได้คิดว่ากลัวเขาจะผิดใจอย่างนั้นกลัวเกรงใจคนอย่างนั้นเกรงใจคนอย่างนี้เกรงหายอยู่ถ้าผลไม่ได้เกรงประจําใหม่นั่นเอาเหตุผลเข้าไปจับเลยเหตุผลอยู่ตรงไหนมันกับทุ่งไปตามเหตุผล น, นักเบาไม่ไม่ว่ า, างเมื่อถึงเวลาที่จะไม่ว่าะมันเป็นอย่างนั้นมันพูดได้ทุกอย่างเมื่อเหตุผลพร้อมที่จะพูดความประมาทพึพงหั่นไหวนี้ เียงอกเกรใจมันไม่เข้ามายุ่งมันกโกรธให้รู้ไม่ได้หรอสิ่ง น, นี้คืออะไรอีกแหละมีความละเอียดของเจดมันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในธรรมนั่นแหละความเรงอกเนอกเนใจกันก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นที่เจดีย์จะเข้าไปแทรกนั้นอีกได้เกรงใจให้ยญิผลไม่ได้ไนี่นทางไหนที่เจีย์อ่านแล้วนะนะ